ความตายไม่เที่ยงนี่เป็นพุทธบทตั้งบุฟังถ้ามีใครบอกว่าความตายเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนอันนี้เขาจะพูดขัดกับพระพุทธเจ้าแต่คนที่พูดว่าความตายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยเขาอาจจะหมายถึงบุคคลที่ถ้ามีการเกิดมาแล้วความตายนี่ยมันแน่นอนเขาอาจจะหมายถึงอย่างนี้ก็ได้ อ้าวลจริงๆความตายนี้มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงกันแน่เรามาฟังบุทรพจน์ธรรมฟังพงระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อยู่ที่ประวิหารเชตวันก็บันทึกลงมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกอยู่ในสังยุตตานิกายตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าความแก่และความตายคือชราและมรณะเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้ว อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับลงไปเป็นธรรมดาเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ตามลําดับเพราะไม่แต่งตลอดซึ่งธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนี้นี่แหละจิตของหมูสัตว์ จึงเป็นเหมือนกลุ่มได้ยุ่งยุ่งเหยิงเหมือนความยุ่งของกลุ่มได้ที่นาแน่นไปด้วยปมพันกันยุ่งเหยิงเหมือนเชิงหญ้ามุนชะและหญ้าปะปะชะอย่างนี้ย่อมไม่ล่วงพลสังสาระที่เป็นอบายทุกขติมินิบาตไปได้นี้เป็นพุทธพทบทตั้งมือฝังเรื่องความตายที่ บางคนบอกว่าเที่ยงแท้แน่นอนเที่ยงแท้แน่นอนแต่ในพุทธพจน์บทนี้ยืนยันไว้ชัดเจนเลยว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งที่สิ้นไปได้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ท่านบวชมันจะยุ่งเหยิงอีหลงตรงนางอ่าแล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงกันแน่วันนี้เราจึงจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความตายท่านบวชความตายที่เราบอกว่าตายตายตายเนี่ยพอจะพูดเรื่องตายเขาคิดว่าเป็นเรื่องไม่ดี มีทิฏฐิความเห็นไปในทางนั้นเรามาทําความเข้าใจตรงนี้กันก่อนนะท่านฟังนะว่าความตายนี้เป็นอย่างไรเราจะได้ประโยชน์จากมันได้อย่างไรแล้วมันมีโทษอย่างไรพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ท่านฟังในเรื่องของอริยสัจ ท, ทั้ง4ีโดยให้ความหมายความหมายนี้ก็คือบัญญัติไว้เลยว่าความตายเนี่ยหมายถึงอะไรท่านตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าพิกสุท์ทั้งหลาย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 นี่คือความหมายเตมูฟังที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้อันนี้คือเหมือนกับว่าเขียนบันทึกแล้วเป็นเซนลายเซนรับรองเลยใครจะมาบัญญัติเป็นอย่างอื่นไม่ได้อันหนึ่งที่เราจะได้จากพุทธพจน์ตรงนี้เลยก็คือการจุติเตมูฟังหลายๆคนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการจุติเนี่ยคือการเกิดแต่จริงๆคำว่าจุติเนี่ยแปลเป็นไทยก็คือเคลื่อนความเคลื่อนก็คือการตายนั่นเอง เคลื่อนจากอันนี้เป็นอีกสภาวะหนึ่งการแตกสลายไปอย่างเช่นว่าในร่างกายของมนุษย์มีการแตกสลายไปของเซลล์ต่างๆอันนี้คือการตายที่ซ่อนรูปอยู่ในกายของเราแต่เซลล์แต่และเซลล์เนี่ยมีอายุอย่างมากก็ 2- อสปีเซลล์อะไรที่มันใช้งานมากหน่อยเช่นเยื่อบุในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยแค่ประมาณ6เดือน8เดือนท่านั้นเองก็จะแตกสลาย เปลี่ยนเคลื่อนไปแล้วก็มีเซลล์ใหม่ขึ้นมาอันนี้คือความตายที่มันมีซ่อนอยู่ในชีวิตของเราเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาพูดง่ายๆก็คือตายมาตั้งแต่เกิดแล้วลเกิดมาก็ตายมาตลอดเซลล์นี่ตายตลอดแต่เป็นการตายที่ยังมีการเกิดใหม่ของเซลล์ที่มันที่มันยังรับกันอยู่มันยังทันกันอยู่ทีนี้ถ้าเซลล์ตายไปตายไปไอ้ตัวใหม่ที่มันเกิดมาเกิดมาเนี่ยไม่ทันกัน มันน้อยกว่ากันในความตายนั้นก็จะเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเช่นปรากฏมาเป็นรอยเหี่ยวยน่นหลังโกง่งหลังค่อมการซ่อมแซมส่วนที่สึกรอะของร่างกายใ น, นมันลดลงน้อยลงอันนี้ก็จะโผล่มาเป็นความแก่เรื่องความแก่เรายังไม่ได้พูดถึงในที่นี้นะแต่ว่ามันจะปรากฏออกมาให้เห็นตามกระบวนการของความตายที่มีในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นความตายเนี่ยมีอยู่ในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลา การที่เชื้อโรคมันเข้าไปในร่างกายทำลายเซลล์ต่างๆอันนี้ก็ตายไปละการที่เรากินยาเข้าไปทำลายเชื้อโรคต่างๆอันน้ก็ตายไปอีกเวลาเรากินอาหารเข้าไปพวกไมโครบส์พวกแบคทีเรียที่มันอยู่ในร่างกายของเราที่ช่วยย่อยอาหารเนี่ยมันก็ตายไปบ้างรุดต่อไปบ้างอันนี้จึงมีการเกิดการตายการเกิดการตายอยู่ในร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลานี่คือประเด็นที่1เรื่องของความหมาย ของความว่าความตายในข้อที่สองท่านผู้ฟังทิฏฐิความเห็นที่มาเกี่ยวข้องกับความตายเนี่ยมันเป็นทิฏฐิความเห็นที่มีความแตกต่างกันโดยทั่วๆไปเราก็จะมีความเห็นทิฏฐิที่ว่าโอ้ตายไม่ดตีตายนี้เป็นความพรัดพรากจะต้องพรัดพราก ค, คือตายกันไปเนี่ยจะไม่ได้เจอกันอีกอย่างเช่นถ้าคนไปเรียนต่างจังหวัดต่างประเทศอย่างเงี้ยปีหนึ่งสองปีอาจจะได้กลับมาเจอกัน แต่ถ้าตายไปแล้วเนี่ยโอ้โหจะไปเจอกันได้ยงไงมันไม่รู้จะไปเจอกันที่ไหนแล้วคือจบเลยแตตรงนี้จึงเห็นว่าความตายเนี่ยเป็นการสูญเสียความตายเนี่ยเป็นการพลัดพรากความตายเนี่ยเป็นความทุกข์มีความเห็นเป็นลักษณะนั้นทีนี้หลังความตายไปละจะเป็นอย่างไรพวกที่จะมีความเห็นว่าตายแล้วศู์ไม่มีอีกจบไปเลยพวกที่เห็นว่า ตายแล้วก็จะเป็นอมตะนะไปอยู่กับพระเจ้านั่นะคือหมายถึงว่าไปเกิดเป็นพรหมอย่างที่พวกพราหมณ์เขาจะมีความเชื่อความเห็นกันเป็นลักษณะนั้นแบบนี้ก็มีหรือพวกที่มีความเห็นว่าตายแล้วก็จะต้องไปเกิดอีกนะมีทั้งสาแบบเลยคือ1ตายแล้วศูน2ตายแล้วไปอยู่กับพรหมอยู่กับพระเจ้าหรือ3ตายแล้วก็ต้องไปเกิดอีก่นะมีความคิดว่า ง, งอย่างทั้งสามอย่างพวกทิฏฐิที่ มาเกี่ยวเนื่องกับความตายแล้วถามว่าไอ้เจ้าทิฐิที่ว่าเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกแล้วนะเราจึงต้องมาทําความเข้าใจในข้อที่สามธรรมังว่าในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องความตายว่าอย่างไรคือถ้าพวกที่มีความเห็นว่าตายแล้วศูนย์พวกที่มีความเห็นว่าตายแล้วไปอยู่กับพระเจ้าเป็นอมตะพวกที่มีความเห็นว่าตายแล้วจะต้องเกิด่นะคือความเห็นของเขาเนี่ยคิดว่าเป็นอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่ พวกที่บอกว่าตายแล้วเป็นนามาตา ก, ก็จะมาเถียงกับพวกที่ว่าตายแล้วศูนพวกที่ว่าตายแล้วเกิดก็จะเถียงกับเขาอีกว่าเอ้ยไม่ใช่มันจะต้องไปเกิดเป็นนั้นนั่นนี้จะไปอยู่กับโรมอะไรไม่ได้เป็นตามกรรมตามอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมถ้าเถียงกันไปมีความคิดเห็นว่าอย่างนี้เท่า น, นั้นจริงสิอื่นเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นความเห็นที่ผิดละไม่ถูกต้องละนั่นแปลว่ายังมีความยึดในเรื่องของความตายอยู่ความยึดในทิฏฐิแบบนี้แบบนี้ ว่าความตายต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความตายเนี่ยท่าฟังทำให้มันคนมันยึดได้นะยึดแล้วมีทิฏฐิ3แบบอย่างน้อยนะที่โผลออกมาให้เห็นพวกที่บอกว่าตายแล้วศูนย์ก็จะไม่กลัวอะไรลนะทำแต่สิ่งดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะว่าไม่คิดว่าจะต้องได้รับผลอะไรก็ทำทำไปอยากทำอะไรก็ทำทำชั่วทำดีไม่ได้ต้องคิดเพราะว่ามีความคิดว่าตายแล้วศูนย์ มีความยึดติดในทิฏฐิของความตายแบบนี้ก็ไม่กลัวตายพวกที่มีความคิดว่าตายแล้วถ้าทำไม่ดีนะจะไม่ได้ไปอยู่กับพระเจ้านะก็จะมีความยึดติดในลักษณะความตายในตำนองที่ว่าถ้าทำไม่ดีก็กลัวความตายว่าตายแล้วจะไปไม่ดีถ้าทำดีก็จะไม่กลัวตายและเพราะว่าตายแล้วจะไปอยู่กับพระเจ้าพวกที่มีทิฏฐิความเห็นที่บอกว่าความตายนี้ ตายเสร็จแล้วก็จะไปเกิดที่นั่นที่นี่ตามแรงกรรมอันนี้ก็จะทำสิ่งที่ดีหลีกหนีสิ่งที่ไม่ดีก็จะกลัวความตายถ้าตัวเองไม่ได้ทำความดีเอาไว้กลัวที่จะไปที่ไม่ดีแต่ถ้าทำความดีเอาไว้บางทีมันก็ยังกลัวตายเหมือนกันเพราะมันไม่แน่ไม่นองว่าจะตายแล้วจะไปดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นความตายเนี่ยตังไว้ทให้ถ้าเราไม่เข้าใจมันแล้วเนี่ย ไปยึดถือมันโดยลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนี่ยก็จะไม่มีความกลัวเห็นโทษของมันทําผิดผิดถูกถูกไม่เข้าใจความมีความยุ่งเหยิงเหมือนกลุ่มได้ที่หนาแน่นไปด้วยปมตีประพุทิชจ้า ต, ตรัสไว้ทั้ฟังได้ฟังความหมายหรือว่าบทบัญญัติของเรื่องความตายไปแล้วได้ฟังแล้วว่าไอ้เจ้ความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นทิฏฐิความเห็นที่บอกว่าตายแล้วศูนย์เลยเนี่ยหรือตายแล้วเป็นอมตะเลยเนี่ยอยู่กับพรหมอยู่กับพระเจ้าไปตลอดกาลหรือว่าทิฏฐิความเห็นที่ว่าตายแล้วก็ต้องไปเกิดอีกเนี่ยทิฏฐิความเห็นเราเนี่ยไม่ถูกต้องนะท่านผู้ฟังไม่ถูกต้องเพราะว่ามันสุดโต่งไปโดยข้างเดียวคำว่าสุดโต่งไปโดยข้างเดียวเนี่ยหมายความว่าเขาคิว่าอันนี้เท่านั้นจริงแต่จริงๆความตายที่บางคนบอกว่าตายแล้วต้องไปเกิดหน้า ก็พวกที่ตายแล้วไม่ไปเกิดก็มีเอาจีตายแล้วศูนย์หรือเปล่าจะบอกว่าตายแล้วศูนย์ก็ไม่ใช่เพราะว่าการตายแล้วศูนย์มันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแต่ความตายมีเหตุมีปัจจัยนะูฟังฟังตรงนี้ให้ดีๆนะความตายเป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่ว่าถูกรถชนแล้วก็ตายไม่ใช่ว่ากินยาแล้วก็ตายไม่ใช่เป็นโรคแล้วก็ตายอันนั้นไม่ใช่เรียกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความตาย เหตุปัจจัยความตายไม่ใช่ตรงนั้นอันนั้นก็เรียกว่าสาเหตุเล็กๆน้อยๆเหตุปลีกๆย่อยๆทำให้คนมาเห็นว่าตรงเนี้ยมันไม่เที่ยงมามองแค่ตรงจุดนี้บางทีฉันก็เป็นโรคตายนะบางทีฉันก็ตกที่สูงตายนะบางทีก็หกล้มตายสาเหตุความตายมีมากถูกงูกัดถูกมแมลงป่องต่อยโอ๊ะจีปาถะอันนี้มันไม่เที่ยงกีบว่าตรงนี้เป็นสาเหตุตรงนี้คือสาเหตุปลีกย่อยเฉยเหตุจริงๆนะฟัง เหตุจริงๆของการที่มีความแก่และความตายเนี่ยคือการเกิดถ้ามีการเกิดความตายนี่มีแน่นอนนี่คือแน่นอนนะคำว่าแน่นอนในที่นี้ไม่ใช่ว่านิดจังนะคำว่าแน่นอนในที่นี้เพราะว่ามันมาตามเหตุตามปัจจัยแต่สิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเนี่ยมันจะไปแน่นอนได้อย่างไรเพราะว่าถ้าเหตุปัจจัยของมันเปลี่ยนแปลงไปตัวมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย ตั้ามาฟังฟังตรงนี้ให้ดีๆนะอย่าเพิ่งงงแต่ถ้าเราฟังดีๆแล้วเราจะมีความเข้าใจได้ว่าถ้าเหตุปัจจัยของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดเปลี่ยนแปลงไปสิ่งนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเราตัวอย่างง่ายๆใช่ไหมถ้าเราเอาน้ําแข็งมาตั้งในอุณหภูมิห้องให้มีความเปลี่ยนแปลงไปของอุณหภูมิน้ําแข็งเนี่ยมันจะไม่แข็งละมันจะกลายเป็นของเหลวจะกลายเป็นน้ําธรรมดาจากที่น้ําเป็นก้อน ก็เป็นน้ําเหลวๆเพราะว่าเหตุปัจจัยคืออุณหภูมิของมันเปลี่ยนแปลงไปเอาเราเอาเหตุปัจจัยเดิมใส่เข้าไปให้อุณหภูมิมันลดลงเพื่อความแข็งเหมือนก็กลับมาเป็นไปตามเหตุตามปจัจจัยนี้น้ําแข็งมันจะไม่ได้แข็งอยู่ตลอดความตายนี่ก็เหมือนกันความตายถ้าเหตุปัจจัยของความตายมันหายไปดับไปเจ้าความตายนี้ก็มีอยู่ไม่ได้ความตายนี้ต้องดับไปตรงนี้ไม่เหมือนกับตายแล้วสูนยนะธรรมวังนะ เพราะว่าการตายแล้วสูญทิฏฐิความเห็นพวกนี้คือทิฏฐิความเห็นที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยฉันทําอะไรก็ได้อะฉันก็ตายแล้วก็สูญไปจบไปแต่ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าการที่จะทำให้เหตุปัจจัยของความตายสิ้นไปได้มันก็มีเหตุมีปัจจัยมีระบบการกรอตั้มาเพราะฉะนั้นพวกที่มีความเห็นว่าโอ้ตายแล้ ว, ต, ลวต้องเกิดแน่นอนแต่ว่าจะไปเกิดอะไรก็เป็นตามกรรมพวกนี้ก็ยังเห็นไม่ถูกอีก เพมีความมั่นใจฝังลงลึกไปโดยส่วนเดียวเลยว่าตายแล้วต้องเกิดก็พวกที่ตายแล้วไม่เกิดก็มีเช่นเหล่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายไงท่านบวงเหล่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยกายนี้ขันาธาตุนี้แตกดับไปแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดอีกการที่กายแตกดับขันแตกดับไปนั้นเขาไม่เรียกว่าตายโดยซ้ำก็เรียกว่าปรินิพานมีการแตกแห่งขันทั้งหลายคือโดยทางเทคนิคแล้วมันก็ตายนั่นแหละเพราะว่าเหตุปัจจัย คือร่างกายนี้มันถูกสร้างมาด้วยความเกิดแล้วแต่จิตนั้นเป็นอมาตะธรามวังจิตที่ไม่ตายเพราะว่าไม่ได้มีเหตุปัจจัยคือการเกิดเนี่ยมันก็ไม่ตายตรงนี้มีสองชั้นนะธรรมวังนะต้องทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งในชั้นแรกคือเบื้องต้นเนี่ยคือในตัวความตายเองในตัวของมันเองเนี่ยถ้ามีการเกิดมาแล้วเนี่ยตัวมันยังไงก็ต้องมีความตายปรากฏแน่นอนรายละเอียดเปลีกย่อยที่จะําให้เห็นความตายนี้อย่างชัดเจนเนี่ยอาจจะมีหลายแบบ เช่นโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุการฆาตกรรมพวกนี้คือทำความตายที่เราเห็นเห็นว่าข้อหลุดจากบาหมดลมหายใจหัวใจหยุดเต้นเนี่ยให้เกิดปรากฏเนี่ยตรงนี้มันจะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างอาจจะมีความไม่เที่ยงแต่ณจุดที่เกิดมาเลยเนี่ยนะเด็กอูแแว่แม้โผาะออกมาจากครรแม่เนี่ยมีความตายปรากฏอยู่แล้วเกิดปุ๊บตายทันทีอะไรตายก็สายรบถูกตัดขาด น้ำเมืออะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็เอาทิ้งไปตายไปดับไปเซลล์ต่างๆในรกแม่ก็ตายไปดับไปนั่นแปลว่าอาศัยการเกิดหรือเปล่านั่นมันมีความตายที่เราอาจจะไม่เห็นชัดเจนแต่มันซ่อนรูปอยู่ปรากฏขึ้นทันทีความตายนั้นมีทันทีถ้าไม่ได้มีการเกิดของเด็กคนนั้นความตายของสิ่งเหล่านี้ยเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะซ่อนรูปมองไม่เห็นเนี่ยมันจะไม่เกิดปรากฏมันจะไม่มีเลยในซ่อนรูปก็ไม่มีที่ซ่อนอยู่แล้วพอเด็ก โตขึ้นมาสิ่งที่จะมาเร่งปฏิกิริยาให้เราเห็นความตายเป็นรูปชัดเจนเช่นลมหายใจหยุดเดินหัวใจหยุดเต้นเลือดก็ฉูดซาดออกเนี้ยนั่นคืออุบัติเหตุอย่างที่ว่าหรือว่าโรคภัยกระเจ็บก็ตามทีนี้เด็กคนนี้ทำบ่ังถ้าเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งแก่แล้วก็ตายคําว่าตายคําหลังตรงนี้หมายถึงความตายที่เห็นได้เลยว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วแต่จริงๆแล้วเด็กคนนี้ตายมาตั้งแต่ตอนออกจากท้องแม่แล้ว เซลลต่างๆตายไปมีความตายที่ซ่อนรูปอยู่ซ่อนรูปอยู่จนกระทั่งตายแบบชนิดหัวใจหยุดเต้นก็ตอนที่จะเข้าหลงทีนี้ตอนที่จะตายตรงนั้นตั้งบังตอนที่จะตายตรงนั้นถ้าเหตุปัจจัยของการเกิดยังมีอยู่ตายแล้วก็ต้องไปเกิดอีกเอาทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเหตุปัจจัยของการเกิดยังมีหรือไม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการเกิดก็พวกตัณหาอวิชชาถ้ายังมีตัณหายังมีอวิชชาก็ยังมีเหตุปัจจัยของการเกิดคนที่ตาย ร่างกายแตกดับไปนี้หัวใจหยุดเต้นนี้ก็จะไปเกิดต่อไปเมื่เกิดต่อไปแล้วก็ต้องมีการตายแน่เรามีการเกิดละการตายนี้มีทั้งซ่อนรูปเซลตายไปผมร่วงออกมามีขี้ใครพวกนี้เป็นการตายซ่อนรูปทั้งนั้นหรือการตายเห็นรูปคือหัวใจหยุดเต้นแล้วถ้าเผื่อว่าเขายังมีเหตุปัจจัยของการเกิดอยู่ก็ต้องไปเกิดอีกแต่มีการวนไปวนมาเป็นการตายการเกิดการเกิดการตายวนไปอยู่อย่างนี้ วนไปทั่วทั้งมุมฝังเหมือนกับกลุ่มได้ที่หนาแน่นยุ่งเหยิงปนกันไปหมดเดี๋ยวเกิดสูงตกต่ำไปซ้ายมาขวาอายุสั้นอายุยืนเป็นสัตว์ประเภทนี้ประเภทนั้นทำให้บางคนก็มีความคิดว่าโอ้ฉันตายแล้วก็ต้องไปเกิดแน่นอนพวกที่มีความเห็นว่าเกิดแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดตวนไปวนมาอยู่เนี้ยมีความที่จิตฝังลงไปปักลงไปเห็นว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงอันนี้ก็ยังเห็นไม่ถูก จะมีความคลาดเคลื่อนอยู่เพราะอะไรดัมโบฟังเพราะอะไรเพราะว่าท่านในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ดัมโบฟังยังหายใจอยู่ยังเดินได้อยู่ยังฟังธรรมได้อยู่จะเป็นมนุษย์ก็ตามหรือเทวดาก็ตามเนี่พราะเขาได้ฟังธรรมะแล้วว่าอ๋อความเกิดความตายเป็นอย่างนี้นะแล้วเขาสามารถล้างเหตุปัจจัยของความเกิดคือเจ้าตัณหาและอวิชชาละตรงนี้ได้เนี่ยความเกิดก็ดับไปพอความเกิดดับไปแล้วความตาย มีไม่ได้ทั้งังความตายที่ดับไปมีไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอมาตะนะมาตะนี่คือตายอะนี่คือไม่อมาตะก็คือไม่ตายอาลุจะไปตายได้ไงเพราะมันไม่เกิดอาลุจะไปเกิดได้ไงถ้าตัณหาวิชามไม่มีเพราะฉะนั้นความตายเนี่ยจึงเป็นของที่ดับไปได้ดับไปได้ตรงนี้คือความไม่เที่ยง น, นั่นเองทำไมไม่เทีย่ยงย้าอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นเพรา ะ, ะนั้นถ้าเราบอกว่าความตายเที่ยงแท้แน่นอน อันนี้คุณกําลังพูดถึงคนที่มีเหตุปัจจัยคือการเกิดมาแล้วเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดความตายที่ปรากฏเห็นรูปได้โรภัยไข้เจ็บบ้างอุบัติเหตุบ้างอันนี้มันแน่นอนแต่วันไหนเนี่ยมันไม่แน่นอนแต่ไอ้ที่ว่าแน่นอนที่เกิดมาแล้วเนี่ยมันก็มีความไม่แน่นอนเพราะถ้าเหตุปัจจัยมันดับไปไอ้ความตายนี้มันก็ดับไปฟังแล้วถ้าจับประเด็นได้ทั้งหมดเราจะไม่งงเราจะมีความเข้าใจว่า แล us, alive, not, ้วจริงๆแล้วความตายมันเที哈哈哈่ยงหรือมันไม่เที่ยงกันแน่ถ้าจะว่าตามพระพุทธเจ้านะความตายก็ไม่เที่ยงท่ผู้ฟังนี่คือในประเด็นที่สามในประเด็นที่หเราได้พูดถึงเรื่องของความหมายของความตายประเด็นที่สองเราได้พูดถึงทิฏฐิความเห็นที่เกี่ยวกับความตายว่าพวกตายแล้วศูนย์ก็มีตายแล้วเป็นอมตะก็มีตายแล้วจะไปเกิดใหม่ก็มีแต่ในประเด็นที่3ามนี่เราได้พูดแล้วว่าไอ้ความตายมันไม่เที่ยงอย่างไร เพราะามันอาศัยเหตุปัจจัยคือการเกิดในประเด็นที่เขาบอกว่าเที่ยงกันนั้นก็คือเพราะว่าเหตุปัจจัยมันมีมาแล้วไอ้ที่ว่าไม่เที่ยงไม่ใช่หมายถึงว่าตายเห็นรูปในลักษณะใดๆแต่ที่ไม่เที่ยงนั้นเพราะว่าการเกิดมันก็ดับไปได้อาศัยเหตุปัจจัยคือตัณหาและวิชาใ น, นคือในประเด็นที่3ส่วนในประเด็นที่4ที่เราต้องทําความเข้าใจในเรื่องความตายเนี่ยก็คือว่าความตายนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่ความพลัดพรากอย่างเดียว ความรัดพรางนี้บางคนก็จะเห็นว่ามันเป็นโทษมันเป็นสิ่งไม่ดีแต่จริงๆในสิ่งไม่ดีในโทษเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่นะจำฝังนี่คือในประเด็นที่4ี่ที่เราจะบอกว่าโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะถ้าเราเห็นแล้วแล้วเราก็อยู่กับมันอันนี้คือคุณยินเรียกว่ายังไม่เห็นโทษจริง ๆ, ๆก็ยังจมอยู่กับโทษ น, นี่เห็นโทษแล้วก็ยังจมอยู่กับมัน เห็นว่าสิ่งนี้เป็นทุกแล้วก็ยังมีมันอยู่นั่นแหละเช่นเราเห็นความตายแล้วมันไม่ดีเอ๊แต่ก็ไม่ทําอะไรที่มันจะให้พ้นจากความตายเออก็จมอยู่กับมันนั่นแหละกังวลอยู่เศร้าใจอยู่ไม่พอใจอยู่แต่ไม่ทําอะไรที่จะทําให้มันพ้นจากความตายก็หาครีมมาทาบ้างกินยาบํารุงบ้างนั่นไม่ได้จะทําให้เหตุปัจจัยของความตายมันสิ้นไปซะหน่อยมันก็แค่ทําให้ความตายที่มันจะเห็นรูปเนี่ยมายืดออกไปนิดนิดหน่อยหน่อย แต่มันไม่ได้ทําให้เหตุปัจจัยของความตายคือการเกิดมันสิ้นไปเอาแล้วทําอะไรพวกนี้ไม่เรียกว่าเห็นโทษไงพวกนี้ก็เรียกว่าจมอยู่ในกล่องทุกข์ความตายเป็นทุกข์นะเป็นโทษนะแล้วไม่ทําอะไรนั่งแช่กินยาหาครีมมาทาอันนี้ก็เรียกไม่ทําอะไรจมอยู่ในกลองทุกข์เห็นแต่โทษแต่เห็นโทษแล้วเห็นโทษแล้วนะแล้วจะทําให้เหตุปัจจัยของโทษนั้นเนี่ยมันดับไป อันนี้ถึงเรียกว่ามีความฉลาดเหตุปัจจัยของความเกิดจะดับไปได้อย่างไรท่านผูฟังที่ว่าเราจะทําความตายให้มันสิ้นไปให้มันดับไปเราเห็นโทษของความตายแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดอุบายในการนําออกเนี่ยอะไรคือตรงนั้นความตายท่านผูฟังมีสองเส้นทางคือหนึ่งคุณเห็นโทษของมันแล้วคุณก็ยังจมอยู่กับมันเนยก็ยังสร้างเหตุปัจจัยของความเกิดมันก็จะมีตายแน่นอนไปทําเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่หน้ายะสําคัญเช่นทาครีมกินยา มันไม่ได้จะเป็นนัยยะสําคัญที่จะทำใหเหตุปัจจัยของความตายมันสิ้นไปได้ก็ยังเรียกว่าจมอยู่ในกล่องทุกข์อันนี้คือในเส้นทางที่1 ห, หรือเส้นทางที่สองท่านผู้ฟังเส้นทางที่สองคือเห็นโทษของความตายแล้วเนี่ยเห็นตัวออกมารณนะแล้วก็สามารถทําให้เกิดอุบายเครื่องนําออกในการยึดตือของความตายในการที่จะทําเหตุปัจจัยของความตายคือการเกิดนั้นให้สิ้นในการที่จะทําตัณหาวิชาให้มันลอกออกไปเหตุปัจจัยนี้ก็คือ อริยมากมีองค์แปดหนึ่งเราเห็นโทษของความตายแล้วตัมบูฟังจิตใจของเราอย่าให้มีมิจฉาสังกปะอย่มีความกังวลใจอะความกังวลใจเป็นมิจฉาสังกปะนะโอ้ฉันจะตายโอ้แม่ฉันจะตายโอ้เพื่อนฉันจะตายเห็นแล้วนะเห็นโทษออกมาแล้วนะมีความกังวลใจแล้วนะถ้ามีความกังวลใจเมื่อไหร่ผูว่าทันตีเลยตัมบูฟังคุณยังไม่ได้เจริญสัมมาสังกปะผูว <"S 2> ่าทันตีเลยตามบูฟังคุณตกไปจมอยู่ในกองทุกนั้นทันทีแต่ถ้าเราเห็นโทษของสิ่งใดสิ่งงหนนนนึ่่ััมดีแล้ว ดีตรงไหนดีตรงที่พัดถ้าเราเห็นโทษแล้วเราทรงจิตของเราให้มีมักแปได้ตัณหามันจะลอกออกไปทันทีฟังกันดีนะฟังกันดีนะเราเห็นโตษของความตายใช่ไหมความตายไม่ดีนะคุณขับรถผ่านวัดทุกวันเห็นงานศพที่นั่นเขาติดป้ายประกาศที่นี่ทรงจดหมายส่งข้อความมาไปร่วมงานศพที่นั่นที่นี้มีประกาศอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวนันทุกวันเห็นแล้วนะความตายเห็นแล้วแล้วทรงอยู่ในมักแปให้ได้ ตัญหาในใจของเรามันล่อออกไปทันทีอย่าไปมีความกวนโอ้แล้วฉันจะตายไหมฉันจะตายเมื่ อ, อไรอันนคือมิจฉาสังกบารละปัญหาพ่อปูลแล้วนะปัญหาไม่ได้ล่อออกไปแต่เราเห็นข่าวพวกนี้แล้วเราให้มีใจที่มั่นคงเราเลึกถึงพระพุทธพระพุทธพระสงฆ์อ้าวปัญหานี่ล่อออกไปทันทีตัญหาล่อออกล่อออ ก, เ, อออกเนี่ยเหตุปัจจัยของความตายก็ลดลงลดลงโอกาสที่เราจะทําความตายให้สิ้นมันมากขึ้นมากขึ้น โอกาสที่ความตายนั้นมันจะมาครอบงำเรามันก็ลดลงลดลงเราเห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราตั้งจิตทรงจิตให้อยู่ในมรรคแบบได้การทำอย่างนั้นจะทำให้เจ้าตัณหาเนี่มันสิ้นไปลอกออกตัณหาสิ้นไปลอกออกเหตุของความเกิดก็ลดลงจางกลายลงเห็นความเกิดลดลงจางกลายลง้เจ้าความเกิดที่จะทำให้เป็นผลเกิดเป็นความตายขึ้นมามันก็ลดลงจางกลายลงพระพุทธเจ้าจึงได้สอนเรื่องของมรณะสติ ตระมังบารณะสติให้ตั้งสติเอาไว้มีความตายได้ยินข่าวเรื่องความตายหรือแม้ตัวเราเองจะตายเนี่ยให้มันพิจรารณาดูเหตุปัจจัยของความตายมันมีมากน้อยขนาดไหนคนเห็นคนอยู่หลัดหลัดเป็นโรคบ้างเจออบัติเหตุบ้างตายเนี่ยให้น้อมก็ามาสู่ตัวเองแต่ตระมวังว่าเออตัวเราก็จะต้องมีความตายเยอาแล้วถ้าตัวเราจะตายเนี่ยแล้วเราไม่ได้มีมรรคแบบไม่ได้มีกุศลธรรมนี่ตายแล้วมันไปไม่ดีนะ เอางันเราตั้งไว้ซึ่งมักแปดให้เจริญสิ่งที่เป็นกุศลธรรมพู้ว่าทันตีเลยจะมาฟังทันทีเล ย, เลยสิ่งที่เป็นตัณหามันจะลอกออกไปจากจิตของเราทันทีเลยมากหรือน้อยตามกําลังของจิตใจที่คุณตั้งทรงมักนั้นเอาไว้ได้ตามกําลังของสติที่คุณตั้งไว้นี้เป็นมรณะสติความตายในทรรมวังพระพุทธเจ้าสอนอยู่เยอะมากในเรื่องของมรณะสติด้วยเรื่องของว่าสิ่งนี้เป็นเทวทูต ด, ด้วยและเป็นเทวทูตทูตนําข่าวสาร มาบอกเราว่าเฮ้ยคุณต้องทรงอยู่ในมรรคแปดนะคุณต้องทําความดีนะถ้าคุณตกใจกลัววาดวันสะดุ้งสะเทือนอ้าวไม่ใช่แล้วนะคุณจะจมอยู่ในความตายนั้นคุณจะไม่ได้ทําเหตุของความตายให้มันสิ้นสุดลงไปได้แต่ถ้าเราไม่สะดุ้งสะเทือนแต่ถ้าเรามีสติตั้งเอาไว้เราทําความดีทรงมรรคแปดให้มีอยู่ในใจของเราในทุกๆด้านของชีวิตอ่านั่นคุณทําความตายให้สิ้นลงไปละให้สิ้นลงไปละ มันอาจจะยังไม่ปรากฏเป็นรูปเห็นชัดเจนแต่มันจะมีความจางคลายไปมันจะค่อยๆดับไปความตายนี้ยังเป็นภัยในอนาคตที่รพระพุทธเจ้าก็เตือนไว้ท่านผู้ฟังว่าความตายเนี่ยมาแน่นอ น, นแน่นอนนะไม่ว่าเป็นภัยในอนาคต5ประการที่ถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเราจะต้องรีบทำความเปลี่ยนการทำความเปลี่ยนนันก็คือการทรงอยู่ในมรรคแนั่นเองเพื่ออะไร เพื่อให้เป็นผู้ที่เมื่อความตายมาถึงแล้วจะยังเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้ผาสุขอยู่ได้คนเราตามฟังไม่ว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนเป็นข้าราชการเชั้นผู้ใหญ่เป็นเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์ก็ใหญ่ไม่เกินโลงศพนั่นเองโลงศพเนี่ยจะเป็นที่บรรจุร่างของเขาก็แค่นี้มีทหารคุ้มกันอยู่จากทั้งสีทิศมีกองกําลังกองพลแต่เมื่อมัจจุมานคือความตายมาถึงแล้วไม่มีใครสามารถที่จะป้องกันได้สักคน เราพุทธเจ้าของเราท่านก็ยังปฏิญิพานเพราะร่างกายนั้นแตกดับไปเราเห็นความจริงคือเรื่องของความตายนี้แล้วทรงอยู่ในมรรคแให้ได้ให้เราตั้งไว้ซึ่งความคิดการพูดและการกระทําในทางที่จะเป็นความดีนั่นคือความที่เป็นอาชาในในจิตของเราเป็นบุคคลอาชาในที่เมื่อเห็นความตายความตายนี้ยังไม่ได้ปรากฏเห็นเป็นรูปชัดเจนด้วยซ้ําแต่เราก็ยังทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึง่ง เรารู้ถึงความตายที่มีในตัวเราเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นบางวันปวดเอวปวดหลังบางทีตาฟ้าฟางไอจามพวกนี้เป็นการแสดงถึงความตายที่มันมีอยู่ในกายทั้งสิ้นแต่เราไม่ประมาทเราให้มีความร้อนใจในตอนนี้ความร้อนใจคือการทําความเพียนที่เราเร่งกระทำํำพอเราทําความเพียนตามระบบของเริยมักมีองศาในตะบูฟังมันจะทำให้ตันหาในใจของเรามันลอกออกลอกออก ปัญหาลอกออกเนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่จะทําความตายนั้นให้มันซึ่งไปได้เราจะเจอปัญหาอยู่ข้างหน้าแน่นอนคือความแก่ความตายตั้งไว้แต่เราไม่ได้นั่งอยู่เฉยงออมืองอเท้าไม่ทําอะไรบุคคลประเภทนี้ก็เรียกว่าเป็นบุคคลอาชาในเป็นบุคคลที่ทําอะไรสักอย่างได้อย่างหนึง่งอ่ะที่เมื่อเห็นปัญหาแล้วรู้จักที่จะแก้ไขเมื่อเห็นปัญหาแล้วไม่ได้นั่งทับปัญหานั้นอยู่เฉยแต่เมื่อเห็นปัญหาแล้วทรงจิตไว้ในมาร์กแปดจะเป็นอุบายในการที่จะนําออกจากความตายนี้ได้อย่างแน่นอน ความตายธรรมบุฟังไม่เที่ยงกําจัดมันออกไปจากชีวิตของเราได้ให้เราทําความเข้าใจในเรื่องความตายอย่างนี้เตรียน ม, มาไว้มันสู้เราไม่ได้หรอกธรรมบุฟังความตายถ้ามันมีเหตุมีปัจจัยมันมีความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นอย่ามาเป็นของเราสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาัวแล้วหรือนอนที่จะเอาความตายเน้นเนี่ยมาเป็นของเรา เราจะไม่เอาความตายนั้นมาเป็นของเราได้ไม่ใช่ว่านั่งปฏิเสธมันจะเฉยนั่นจะกลายเป็นวิภาวะตัณหาแต่เราจะไม่เอาความตายนั้นมาเป็นของเราได้ทรงจิตอยู่ในมรรคแปดตัมวั ง, งเห็นโทษของมันแล้วตั้งจิตเจริญจิตให้มีมรรคแทั้งในความคิดการพูดและการกระทำนั่นจะเป็นอุบายในการนำออกจากความตายได้วันนี้เวลามลัมโวั ง, งข้าพเจ้าพระมาาหาใบบูรณ์อาภีปุนโน จากวัดป่าดอนหายโสพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญปกร